ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกันมาเกือบยี่สิปีแล้วถึงจกนานเท่าไรก็ไม่เป็นของสำคัญก็นึกเสียว่าพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีมานึกเฉยๆก็นานแสนนานนับเป็นหลายอสงไขย แค่พระองค์ออกกากว่าจะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็สิบเจ็ดอสองไขยได้รับพยากรอีกสี่อสองไขยอันนี้เรียกว่าผู้ที่พัฒนาสร้างบารมีโดยปัญญาธิกะ ถ้าวิริยะที่กะก็ยิ่งจะนานเมื่อมาตัดสรูแล้วก็ได้วางศาสนาเอาไว้5้าพันปีส่วนพระสีอริยะเมตไตนั้นก็าทราบว่าแปดหมื่นปีจะมาตัดสรูคองคารวาดอยู่สี่0มปีได้ตัดสรูแล้วโปรด พุทธบริษัทอยู่สี่มืนปีรวมแล้วเป็น8มืนปีความมุ่งหมายที่แต่รับพระองค์พระองค์ได้สร้างโพธิสมภารก็ได้มองเห็นสภาพสัตว์โลกทั้งหลาย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 ถาวายอาหารพิธาบารเสร็จสิ้นแล้วก็ได้บริโภคอิม น, น้ำสำาํมารานเมื่อกี้นี้ก็ได้รัฐนาศีนได้สมท า, านศีนเพื่อประกอบการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการ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 แสดงโปรดเวนัสสัตว์ผู้ที่มีกิเลสเบาบางมีความเมตตามหากรุณาใหญ่แต่และท่านละคนก็ได้ตั้งปณิธานปรารถนาผู้ที่มีความสามารถ ก็ไดปราธนาเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ทธเจ้าในอนาคตส่วนผู้ที่ลองลงมาก็ปราธนาเป็นสาวกสาวิกาสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังเกิดจากการได้ทัศนานุตริยะได้เห็นพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อบใส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 อย่างผู้หญิงก็ขอให้ข้าพเจ้าได้บวชในศาสนาได้เป็นภิกษุณีได้รับเอตทัคะตามความปรารถนานั้นๆสิ่งเหล่านี้ที่ท่านปรารถนาก็เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกสืบต่อไป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 พระอรหันต์ก็ได้เห็นอธิธาต์ประกอบการพิจารณาความเชื่อความเลือ่อมใสก็ได้เกิดอัศจรรย์แก่จิตใจของพวกเราพวกเราจะได้มีจิตศรัทธาความเชื่อมั่นได้มาฝึกฝนอบรมทำสมาธิภาวนา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 ไม่ให้จิตของเราไปสร้างในสิ่งที่ไม่ไมดีไม่งามผู้ปฏิบัติทำถ้าขาดศีลแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำให้เกิดขึ้นได้เราจะต้องมีศีลห้าข้อเป็นอย่างน้อยแล้วก็ประกอบไปด้วยเมตตาธรรม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 พูดไพเราะสนดโสศพูดมีความสัตย์ความจริงใช่าหมวพูดเรียบร้อยไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดเลวไหลเมื่อเรามองดูวาจาของเราเราก็จะมีความสุขถ้ามองไปอวาจาของเราที่มองคืนหลังกับหลัง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 แสดงแก่เวเนยสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ได้พูดโดยความสัตย์ความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จ ะ, ะไม่มีความสัตย์ความจริงเพราะฉะนั้นเราพุทธบริษัทท่านถึงให้น้อมศรัทธาความเชื่อเสียก่อนอถ้าไม่มีศรัทธาความเชื่อแล้วการปฏิบัติศินปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เกิดอ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 เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวสมุทยัยแม้แต่ขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาเดี๋ยวมันก็เอาอันนั้นมาใส่เดี๋ยวอันนั้นก็ามาเดี๋ยวอันนี้ก็มาแต่บางคนก็เข้าใจเออนี่อันนั้นเป็นสัญญา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 มันฟุ้งซ่านมันลำคาญท่านบอกว่าอาสวะกิเลสมันร้อนตัวท่านให้เร่งพิจารณาเขา้าให้เร่งกำหนดจิตเข้าไปานี่คือมันกำลังร้อนตัวมันแล้วท่านว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ทำเอา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 นัตตัญหาสมานัตแม่น้ำมหาสมุทรทั้งหลายใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะยกมาเทียบเท่ากับกิเลตัญหาอาสวะตัวนี้ได้พิจารณาเอาว่ามันจริงหรือเปล่าที่พระพุทธเจ้าได้ตั้งภาษิตเอาไว้ทำยังไงเราถึงจะชำระสัสางอาสวะกิเลสเหล่านี้ให้มันเบามันวางออกไปได้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 ก็ตามมาความหลงก็ตามมาในสิ่งใดที่มันไม่ได้สมปรารถนาสิ่งนั้นก็เอาความโกรธเข้ามาใส่ความโกรธความชุนความเสียความโมโหโธโสตามเข้ามาพอความโกรธตามเข้ามาแล้วก็ความหลงก็ไม่รู้ว่า ผิดหรือถูกว่าดีนี่มันก็บังคับเราให้ทำตามความต้องการของมันผลสุดท้ายก็ไปฆ่าเขาตายศีนก็ขาดศีนก็ทะลุิ้นก็หมดขนาดเอาลั่วล้อมเอาไว้เอาโกงใส่เอาไว้มันก็สามารถที่จะ ทำลายรั่วทำลายโกงออกไปได้พวกเราก็พอมองเห็นอยู่ว่าแม้แต่ผู้ที่บวชในาศาสนาก็เหมือนกันพอรั่วแตกกงแตกก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในาศาสน า, สาศาสนาได้อุบาสกอุบาสิกาไปจำศีลบางครั้งบางทีก็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 อันนั้นมันเป็นสัญญาอารมณ์มันไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ใชปัญญาอันนั้นมันเป็นสัญญาสัญญาก็คือสัญญานิจจสัญญาไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เกิด ค, ความทุกข์ความทรมานบังคับบัญชามันจะไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแลว้วบางครั้งบางคราว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 สัญญาทุกขาสัญญาเป็นทุกคือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสัญญามันไม่ใช่ของดีสัญญาตัว น, นั้นท่านบอกว่ามันเป็นอณิจจาเป็นของไม่เที่ยงเราจะต้องเข้าใจการปฏิบัติจิตตภาวนาอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องอณิจจาไว้ก่อน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 จนกว่ามันจะเข้ามาตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นไปเนี่ยพอเราดึงมันได้แล้วใชส้ชสติใช้สัมมชัญญะตามลุกไม่ให้มันพังมันเผลอจนกว่ามันจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจิตเป็นเอตขะคตาลมัน เด้วจะจิตเหลือแต่ควมรู้ล้วนๆทาไปไม่หยุดไม่ถอ ย, อยาาจากนี้เราจะให้ทำยังไงอีกทําเหมือนเดิมมันจะก้าวเข้าไปเรื่อยๆของมันโดยที่ว่าไม่มีคูบาอาจารย์ไหนที่จะไปต้องทําเข้าไปแบบนั้นต้องํำเข้าไปแบบนั้นมันอันนั้นมันไม่ใช่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 มาใช้อัตภาพนี้แหละสร้างความไม่ดีไม่งามสร้างทิฐิมานะความถือตันตนถือตัวอมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเรามาฝึกฝนเพื่อสํารอกอาสวักิเลสเหล่านี้ให้มันบกพร่องให้มันเหือดให้มันแห้งให้มันหายไปให้มันสิ้นไปสิ้นซากไปจากดวงจิตดวงใจของพวกเรา เมื่อมันสิ้นซาบไปแล้วเราก็จะมีความสุขถ้ายมันยังไม่สิ้นไปตราบใดเราก็ยังจะทุกข์อยู่ตราบนั้นในภพน้อยภพใหญ่อำนาจบุญคุศลก็บรรลบรรดาให้ไปเกิดบนสวรรค์บ้างเกิดบนสวรรค์ลแล้วก็ไปลืมเนื้อลืมตัวก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ พอมาหลงมาลืมอีกสร้างบาปสร้างอกุศลพอลงไปตกนรกไปเห็นโทษในนรกก็กลับขึ้นมาหมดทำหมดเว้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญกุศลพัดเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่งั้นไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นที่พวกเราได้พึ่งปฏิบัตินี่นี่คือหนทางที่จะก้าวออกจากกองทุกข์ อ, อย่างน้อยก็ได้มนุษย์สมบัติละ่ะอย่างกลางก็ได้สวรรค์สมบัติอย่างสูงก็ได้พร ม, มโลกด้วยนิพพานไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งในหลายอสงจขัยราต์ก็ไม่ชาบดูเอาของใครของมันใครจะอยู่กี่อสุจิขัยแต่ทุกคนก็ปรารถนาว่า ขอให้ไปในชาตินี้เถิดขอให้สิ้นไปในชาตินี้เถิดแต่มันเป็นปะไม่เป็นไปตามปาธนามันจะเป็นไปได้ก ข, ข้อปฏิบัติของเรานั้นมันมีเหตุมีผลเต็มตัว